วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาที่พึ่งทางใจกันที่พึ่งทางใจ ก็คือพระรตนตรัยและอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถนี่คือที่พึ่งของทางใจเราการที่ใจเราจะมีที่พึ่งได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆให้เกิดขึ้นกับใจจำเป็นต้องมีที่พึ่งทั้งสองชนิดนี้ ที่พึ่องอันแรกก็คือพุทธังธรรมังสังขังสรลนางกัจฉานี้ <Yeah. S 1> คือเราจะถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราแล้วที่พึ่องอันดับที่สองก็คือเราต้องถืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน ฟังดูแล้วก็อาจจะฟังเหมือนกับว่าทั้งสองที่พึ่งนี้มันขัดกันทำไมต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วทำไมต้องพึ่งตัวเราเองก็เพราะว่าการที่เราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าท่านเป็นผู้รู้วิธีป้องกัน ไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจนั่นเองถ้าเราไม่ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนมาบอกพวกเร า, าเราก็จะไม่รู้วิธีป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นกับใจของเราได้เราจึงต้องมีผู้ที่สอนเราสอนให้เรารู้จักวิธี ป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในใจของพวกเรา <Yeah. S 1> ขั้นต้นเราก็ต้องมีคนสอนก่อนพอมีคนสอนวิธีแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาคำสอนของท่านนั้นมาปฏิบัติการปฏิบัต tn ี้เรียกว่า ต, ตาฮิอาตโนโนาโถเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอง คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้กับเราได้ถึงแม้ว่าท่านจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็ตามแต่ท่านไม่สามารถที่จะทําให้ใจของพวกเราทุกคนนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้เพราะว่าเราต้องเป็นผู้กระทําตัวของพวกเราเอง ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจเท่านั้นคนอื่นทำให้กับเราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่มีใครที่จะทำให้ใจของผู้อื่นนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่สอนได้บอกได้วิธีของการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องทำอย่างไรพอรู้จากวิธีแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติของตนเองด mm hmm. ังนั้นที่พึ่งทางใจจึงมีสองสองชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือครูบาอาจารย์ mm hmm. ที่เป็นผู้ที่จะสั่งสอนเรา mm hmm. ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ mm hmm. ที่เราถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรา การถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง น, นี้ความหมายที่แท้จริงก็หมายถึงให้เราเชื่อฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนและของพระอริยสงสาวกเราจะเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้ากับคําสอนของพระอริยสงสาวุ เราจะไม่เชื่อคำสอนของผู้อื่นถ้าคำสอนของผู้อื่นนั้นขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวงศแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราเชื่อในคำสอนชนิดต่างๆตราบใดที่คำสอนเหล่านั้นไม่ได้ขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพระอริยสงสาวก เรายังไปเรียนหนังสือได้เรียนหนังสือเรียนวิชาชีพต่างๆได้เพราะ ว, วิชาชีพต่างๆนั้นก็ไม่ได้เป็นคำสอนที่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยรสงสารคลกนันเองเพียงแต่ว่าคำสอนต่างๆวิชาความรู้ต่างๆที่สอนกันอยู่ในโลกนี้ เป็นคำสอนที่ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ของใจของเราได้ทั้งนั้นเองเป็นคำสอนที่เราสามารถนำเอาไปใช้เป็นอาชีพเป็นวิชาชีพเลี้ยงชีพของเราได้เลี้ยงร่างกายของเราให้อยู่ดีกินดีให้ปราศจากความทุกข์ทางร่างกายได้แต่วิชา ชีบนี้ไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ทางใจได้ต่อให้เรียนจบระดับป ร, ริญญาเองไม่ว่าจะเป็นวิชาขแขนงไหนก็ตาม mm. ก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนสาเร็จแล้วนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เป็นวิชาเป็นเป็นวิชาที่นำามามา ใช้เลี้ยงชีพเป็นวิชาที่เอามาใช้กับการขาดแคลนทางด้านร่างกายได้เพราะเมื่อมีวิชาความรู้ก็สามารถที่จะนําเอาไปทำงานทำการทำรายได้เพื่อที่จะได้เอารายได้นี้มาความมากำจัดความทุกข์ทางร่างกายได้แต่จะไม่สามารถที่จะ กำจัดความทุกข์ทางใจได้พอให้เรียนจบระดับปริญญาเอกพอให้ได้ทำงานทำการให้ร่ำให้รวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้ใหญ่มียศถาบรรดาศักย์อะไรต่างๆมีรางวัลต่างๆ ม, มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถภะชนิดต่างๆ ความสุขเหล่านี้นั้นไม่สามารถที่จะไปกาจัดความทุกข์ของทางใจได้เลยและนอกจากไม่กาจัดความทุกข์ทางใจแล้วกับกลายเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าไปยึดติดกับราบยศสารเสริญสุขว่าเป็นวิธีการที่จะ ทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะว่าความสุขที่ได้รับจากลาบยศสรรสนสุขนี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเป็นของที่มีเจริญได้ก็มีการเสื่อมได้เวลาเจริญก็ให้ความสุขกับเราแต่พอเวลาเกิดความเสื่อมขึ้นมาความสุขที่ได้ก็หายไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีดังนั้นวิชาชีพต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะมาใช้กำจัดความทุกข์ทางใจได้และถ้าไม่ระวังก็อาจจะเป็นการสร้างความทุกข์ทางใจให้เกิดขึ้นมาเสียได้ซ้ำไปถ้าไม่รู้จักใช้แบบ ถูกต้องตามเหตุตามผลคือวิชาชีพที่เราเรียนมานี้ก็เพื่อจะได้เป็นความรู้ที่เราจะได้เอาไปทำมาหากินเพื่อที่เราจะได้รายได้มาจุนเจือร่างกายของเราเท่านั้นเองคือมาซื้อปัจจัยสี่ให้กับร่างกายเพราะร่างกายนี้ขาดปัจจัยสี่ไม่ได้ ปัจจัยสีก็คืออาหารเครื่องนุ่งหง่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของร่างกายถ้าร่างกายขาดปัดจจัยสี่ไปไม่มีไม่พอเพียงก็อาจจะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยและถึงแก่ความตายได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็น ท, ที่จะต้องมีกันที่จะต้องหากันแต่การหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายก็ต้องมีขอบเขตถ้าหาโดยเกินขอบเขตมันก็แทนที่จะมาสร้างความสุขให้กับร่างกายและจิตใจมันก็กลับมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจได้ถึงแม้ว่าร่างกายจะ อยู่ดีกินดีแต่มันก็อาจจะทำให้จิตใจนี้ทุกข์เครียดกับการหาปัจจัยสี่มาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายก็ได้ <Yeah. S 2> พระพุทธเจ้าถึงทรงสอนว่าถ้าเราจะทำมาหากินเลี้ยงชีพเพื่อร่างกาย <Yeah. S 2> เราต้องใช้หลักมากน้อยสันโดษ <Yeah. S 2> คือเราจะใช้ปัจจัยสี่คือ อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายก็พอและไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของพิสดารเป็นของหรูหราเป็นของฟุ่มเฟือยให้ใช้หลักมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือดูเหตุผลของการ ของความต้องการของร่างกายร่างกายร่างกายต้องการอาหารอาหารนี้มีหลายระดับด้วยกันในราคาระดับแพงก็มีระดับถูกก็มีแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารระดับแพงหรือระดับถูกมันก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันคือทำให้ร่างกายกําจัดความหิวได้ ทำให้น่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการอดอยากขาดแคลนอาหารที่จําเป็นต่อการดํารงชีพได้ดังนั้นการบริโภคปัจจัยสี่ขอให้เรา บ, บริโภคด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปบริโภคด้วยความลุ่มหลงอย่าไปคิดว่าการได้รับประทานอาหารบริโภคปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆที่หรูหรา ที่พิสดาเ น, นี่ยมันจะดีกว่าการบริโภพปัจจัยสี่ที่ไม่มีราคาแพงเพราะว่ามันก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันอาหารก็เลี้ยงดูร่างกายให้อิ่มเสื้อผ้าก็มีไว้เพื่อปกปิดร่างกายป้องกันไทยจากอากาศที่หนาวเยน็นหรือป้องกันภัยจากแมลงสัตว์กัดต่อยต่งตางๆ ที่อยู่อาศัยก็มีไว้หลบแดดห ล, ลบฝนชนิดต่างๆแล้วก็ยารักษาโรค ก, ก็มีไว้เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาในร่างกายที่เกิดขึ้นในร่างกายเครื่อยงอยางก็ถ้าเป็นยาที่รักษาใช้รักษาโรคได้ราคาจะแพงจะถูกก็ไม่สำคัญสำคัญว่าขอให้มันทำหน้าที่ รักษาโนกภายค่ย้เจ็บได้ก็พอถ้าเราใช้หลักของการบริโภคปัจจัยสี่ด้วยความมาักน้อยสันโดษเราจะไม่ต้องมาทุกข์มากังวลกับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราไปคิดว่าเราจาเป็นที่จะต้องเลี้ยงร่างกายของเราด้วยความฟุ่มเฟือยด้วยความหรูหราด้วยของแพงแ มันก็จะเป็นการสร้างความกดดันสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะจิตใจนี้จำเป็นที่จะต้องไปลิ้มลนไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของที่มีราคาแพงๆของที่หรูหราของที่ฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นเพราะว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ของฟุ่มเฟือยนั้น มันก็ไม่ต่างกับประโยชน์ที่ได้รับจากของของที่เราใช้แบบมากน้อยสันโดษได้อย่างใดแต่การใช้ของแบบมากน้อยสันโดษนี้มันทำให้ใจเราสบายไม่ต้องเครียดมากเพราะไม่ต้องหามากเช่นเราใช้เงินเดือนเดือนละหมื่นกับใช้เงินเดือนละแสนเนี่ยคนที่ใช้เงินเดือนละแสนก็ต้องดิ้นรนหาเงินอย่างน้อยให้ได้เดือนละแสน แต่คนที่ใช้เดือนละหมื่นก็หาเงินเพียงเดือนละหมื่นก็พอเพียงก็ nên, ทําให้ดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปได้แล้วไม่ว่าจะเลี้ยงดูในรูปแบบไหนก็ <Reform S 2> ตามธรรมชาติของร่างกายมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่ดีคือมันก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องเจอโรคภัยแค้เจ็บและในที่สุดมันก็ต้องตายไป จะอยู่รวยแล้วอยู่แบบยากจนมันก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปแต่อยู่แบบยากจนได้นี้สบายกว่าไม่ต้องดิ้นนนอยู่แบบร่ำรวยนี้ต้องดิ้นนลต้องคอยหาเงินหาทองมาสนับสนุนการอยู่แบบร่มรวยอยู่แบบพุ่มเฟือยใจก็จะไม่มีความสุข เพ้าใจจะต้องคอยกังวลคอยวาดวิตกอยู่เรื่อยๆกลัวว่าจะไม่มีเงินพอที่จะอยู่ในระดับที่เคยอยู่ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าพระริยาสงสารพวกทั้งหลายนำมาสอนพวกเราในลาดับแรกเพื่อให้ให้เราสร้างความทุกข์ที่เกิดจากการเลี้ยงดูร่างกายของพวกเรา ขอให้เราดูตัวอย่างของการกินการอยู่ของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกท่านอยู่กันแบบเรียบง่ายท่านอยู่กันแบบมากน้อยสันโดษจริงๆเจ่นอาหารท่านก็ใช้หลักการขอทานบินทบาทวันหนึ่งก็เข้าไปหมู่บ้านบินทบาดหนึ่งครั้งได้อาหารอะไรมาก็รับประทานไปตามมีตามเกิด แล้วก็รับประทานเพียงมื้อเดียวก็พอร่างกายไม่ต้องการอาหารมากจนเกินไปอาหารมื้อเดียวนี้ก็พอเพียงต่อการดำรงชีพของร่างกายแล้วแล้วก็ไม่ให้สะสมอาหารไว้ด้วยอาหารที่เหลือจากการรับประทานก็ให้สละไปจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระมาคอยดูแลรักษาต้องมีที่เก็บที่อะไร ฉันมือเดียวนี่คือการอยู่ของพระพุทธเจ้าการรับประทานอาหารของพระพุทธเจ้ากับของพระสาวกทั้งหลายท่า น, นอยู่แบบมากน้อยสันโดษกันแล้วใจของท่านก็จะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปกังวลเพราะว่ายินดีกับอาหารที่ได้มาจะเป็นอาหารอะไรก็ได้ถ้าชาวบ้านถ้าคนให้เขากินได้คนรับก็กินได้เหมือนกันที่ออยู่าศัย ของพระพุทธเจ้าของพระสาวกก็อยู่กันตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้รูกขมูลลาเสนาสนังอยู่ตามป่าอยู่ในป่ากันอยู่สถานที่สงบสงัดวิเวกทำเพิงกันแดดกันฝนพอป้องกันไม่พบฝนฟ้าอากาศมามารบกวนก็อยู่ได้เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้ก็โอเค เครื่องนุ่งห่มก็คือจีวรท่านก็ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าเรียวกว่าผ้าบางสกุลผ้าหอ่อศพสมัยก่อนอันนั้นเขาไม่เผาไม่ฝังศพกันเขาเอาศพไปทิ้งในป่าชา้าด้วยการเอาผ้าหอ่หอผ้าหอ่อศพแล้วก็ไปทิ้งให้เน่าเปื่อยไปพวกที่เป็นนักบวช็แลวต้องการจะหาผ้ามา มาตัดเย็บเป็นจีวรมาซักมาย้อมก็ไปเก็บผ้าที่ห่อศพนี่แหละมาเป็นผ้าที่เอามาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรเป็นผ้าสบงเป็นผ้าสังกติเป็นผ้าไตรได้จากผ้าบางสกุลนี้แล้วก็ยารักษาโรคท่านก็รักษาตามประเพณีตามตามวิชาของสมุนไพรคืน ดื่มยาดองน้ำมูดน้ำมูลก็คือน้ำปัสสาวะดองกับผลไม้ชนิดต่างๆแล้วก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มยาดองน้ำมูดกันหายก็หายไม่หายก็ท่านก็ทนอยู่กับความไม่หายไปเพราะท่านถือหลักว่าร่างกายนี้ <c oughs> มันก็มีอยู่สามโรคด้วยกันโรคที่เป็นแล้วหายเองไม่ต้องรักษาก็ได้ โรคที่เป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายแล้วโลกชนิดที่สามก็คือโรคที่เป็นแล้วรักษาไม่หายรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หาย<ม>ก็ต้องยอมรับกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แม้แต่จะมีหมอมียาวิเศษขนาดไหนก็ตาม เมื่อถึงเวลาจะจอโรคชนิดต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้แต่สิ่งที่จะทำให้ใจสบายก็คือใจยอมรับกับความจริงอันนี้ป้องกันไม่เกิดความทุกข์ทางใจได้นี่คือจุดหมายของการเลี้ยงดูร่างกายด้วยหลักของมรคน้อยสันโดษเพื่อกำจัดหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ทางใจ เกกับการเลี้ยงดูร่างกาย<ม>คือเลี้ยงดูร่างกายไปตามมีตางเกิด<ม>อยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ต้องตาย<ม>เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของทุกๆคน<ม><ม>เรื่องของการอยู่การตายนี้ไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าเราอยู่เพื่ออะไรเท่านั้นเอง<ม><ม>ถ้าเราอยู่เพื่อปฏิบัติเพื่อสร้างที่พึ่งทางใจ เพื่อให้ใจหลุดพ้นจากความทุกขนะ์การอยู่ของเรานี้ก็มีคุณค่ามีความหมายแต่ถ้าเราอยู่เพื่อหาความสุขจากลาบยศสารเสรสิญจากรูปเสียงกลิ่ลนรสโผฏฐัพพานี้การอยู่แบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อจิตใจเพราะมันเป็นการอยู่แบบสร้างความทุกข์ให้ให้กับจิตใ จ, จนั้นเองพะเมื่อใจไปเกี่ยวพันกับลาบยศสารเสรสิญสุข แล้วก็จะต้องเจอกับความเสื่อมของลาบยศสารเสริญ ส, สุขนั่นเองเวลาเจอกับความเสือ่อมเจอกับความไม่แน่นอนของลาบยศสารเสริญสุขแล้วก็จะทำให้ใจนี้ทุกข์ทำให้ใจนี้เครียดได้พระพุทธเจ้ากับพระอังลนตสาวกทุกๆพระ อ, องค์จึงไม่ไปแสวงหาราบยศสารเสิญสุขกันเพราะท่านเห็นด้วยปัญญา ว่าราบยศสารเสริญสุขนี้เป็นบ่อของความทุกข์เป็นแหล่งของความทุกข์ไม่ใช่เป็นแหล่งของความสุขในสายตาของปุถทุชนผู้มีความหลงผู้มีความมืดบ่อนี้จะมองไม่เห็นว่าราบยศสารเสริญสุขนี้เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ต่างๆความทุกข์ทางใจอาจจะไม่ทุกข์ทางร่างกายเพราะเมื่อมีราบมีเงินมีทาง ก็สามารถที่จะเลี้ยงดูร่างกายได้อย่างดีแต่มองไม่เห็นความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของลาบยศสารเสริญสุขนั่นเองคนที่ฉลาดจริงๆถึงจะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้จังของลาบยศสารเสริญสุขเห็นอนัตตาเห็นว่าเป็นสภาพของสิ่งสภาพของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่แม้ไม่มีใครไปควบคุมบังคับลาบยศสารเสริญสุขได้ไปตลอดเวลา<ม>คนที่เห็นเห็นอนิจจัง<ม>เห็นอนัตตาก็จะเห็นทุกขังในลาบยศสารเสริญสุขเมื่อเห็นว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นทุกข์ก็จะไม่ไปแสวงหา<ม><ม>ไปหาสิ่งที่ไม่เป็นความทุกข์กันมาให้ความสุขกับตน สิ่งที่จะให้ความสุขกับตนไม่ไม่ได้ให้ความทุกข์กับตนก็คือการทำใจให้สงบนี่การสร้างใจให้สงบแล้วก็การป้องกันใจไม่ให้ไปสร้างความทุกข์ด้วยการกระทำที่เสียหายหต่อผู้อื่นคือการกระทำบาปต่างๆพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารโลนี้ท่านเห็นว่าความทุกข์ของใจของพวเรานั้น เกิดขึ้นจากสองสิ่งด้วยกันสิ่งแรกก็คือการกระทำบาปเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดตระเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาของมึนเมาต่างๆยาเสพติดและการเสพประบายยามุกการกระทำเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆ ถ้าไม่อยากจะให้ใจทุกข์ก็ต้องละเว้นการกระทำเหล่านี้<ม>เพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้ใจไม่สบายใจนั่นเองวิตกกังวลใจหวาดกลัวเพราะว่าเมื่อทำแล้วก็รู้ว่าต้องมีโทษตามโทษทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ตารวจคอยตามจับเอาไปลงโทษลงโทษขังคุกขังตาราง แล้วก็มีโทษทางกฎแห่งกรรมที่จะตามมาต่อไปคือจะทำให้ใจนี้ทุกข์ร้อน ก, นกังวลก歪ไม่สบายใจแล้วก็ตายไปใจก็จะต้องไปอยู่ในอบายแทนที่จะไปสวรรค์หรือ ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนอาจจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรต เป็นอสุรกายหรือไปนรกก่อนนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำบาปพระพุทธเจ้าพาลิยสงสารกทุกทุกองจึงไม่กระทำบาปโดยเด็ดขาดแล้วก็สอนให้ผู้อื่นที่ไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์นั้นให้ปฏิบัติตามก็คืออย่าทำบาปกันอย่าไปเสพประบายอยามุกกัน ว่าการเสพบาบายามุกนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำทำบาปได้ง่าย <S <S ถ้าไม่เสพบาบายามุกนี้จะทำให้การกระทำบาปนี้ยากขึ้นแต่ก็ยังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พ้นจากการกระทำบาปได้แต่อาจจะทำน้อยลงและทำยากขึ้นกว่าการไปเสพบาบายามุกอบายามุกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพกันถึงแม้ว่าการเสพบาบายามุกนั้นมันไม่ได้เป็นบาป โดยตรงก็ต่างแต่มันเป็นตัวที่จะผลักดันให้ใจนี้ไปทำบาปต่อไปยังไม่ควรที่จะไปเกี่ยวพันกับเรื่องอบายมุขต่างๆแล้วก็อย่าไปทำบาปด้วยการพยายามรักษาศีล5ห้าไว้ให้บริสุทธิ์รักษาศีล5ห้าให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วถ้าอยากจะมีความสุขก็มีการสร้างความสุขให้กับใจ ได้สองระดับด้วยกันระดับแรกก็คือด้วยการทาบุญทำทานทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทำคุณทำประโยชน์โดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณนีเป็นบุคคลแรกที่เราควรที่จะทำคุณทำประโยชน์กันโดยเฉพาะถ้าท่านเดือดร้อนท่านต้องการความช่วยเหลือ เราจะต้องให้ความสําคัญกับบุคคลที่มีคุณมีประโยชน์กับเราเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ศาสนาบุคคลเหล่านี้สถาบันอย่างสถาบันอย่างพระพุทธศาสนานี้มีไว้เพื่อให้คุณประโยชน์กับเราเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราได้ถ้าศาสนาหรือบุคคลเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านเดือดร้อน เราถ้ามีโอกาสมีความสามารถที่จะช่วยช่วยท่านได้เราก็ควรจะช่วยกันตามกำลังของเราแทนที่จะเอาเงินทองนี้ไปแสวงหาความสุขจากการเสรืลูกเสียงกลิ่นรสผลธพชนิดต่างๆเอามาทำบุญจะดีกว่า เพราะการเอาเงินไปเสพรูปเสียงกลิ่นว่านี้เหมือนกับการไปเสพยาเสพติดเสพได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็ทำให้ติดเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะทุกข์จะเครียดจะหัวิีบลำคานใจแต่การเอาเงินมาทำบุญทำทานนี้ไม่ได้เป็นการไปใช้การซื้ยาเสพติดเป็นเหมือนกับเป็นการซื้ออาหารให้กับจิตใจ จิตใจได้รับประทานอาหารได้รับบุญได้กุศลแล้วจิตใจก็จะมีความอิ่มเอเวลาที่ไม่สามารถที่จะทำบุญทำทานได้ก็จะไม่รู้สึกงดเกลียดตำคานใจมันไ ม, ม่มันไม่เป็นยาเสพติดนั่นเองนี่ก็คือวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์ได้เวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราอยากจะมีความสุข เราก็ใช้วิธีการทำบุญทำทานไปตามกำลังของเราทํากับใครก็ได้อย่างที่บอกนะเราก็ควรจะเลือกบุคคลที่เราทําก่อนควรจะทํากับผู้ที่มีพระคุณกับเราก่อนถ้าท่านเดือดร้อนท่านขาดแคลนท่านต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องทํากับท่านก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ทํากับพระศาสนา เพื่อให้พระศาสนานี้อยู่เป็นที่พึ่งของพวกเราไปนานๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีพระศาสนาเราจะไม่มีใครมาคอยมาสอนมาบอกวิธีป้องกันความทุกข์วิธีกาจัดความทุกข์ต่างๆวิธีสร้างความสุขที่ไม่มีความทุกข์ให้กับพวกเรา<ม>ถ้าเราไม่มีศาสนานี้เราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปหายาเสพติดมาเป็นวิธีแก้ แก้ความทุกข์ของเราซึ่งแทนที่จะแก้ความทุกข์กับเพิ่มความทุกข์ของเราให้เพียเพิ่มมากขึ้นยาเสพติดในที่นี้หมายถึงการไปหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองสิ่งเหนี้เป็นเหมือนอยาเสพติดของใจเพราะเสพแล้วมันจะติดมันอยากจะได้ไเรื่อยๆและเวลาที่มันไม่ได้มันจะเกิดความบุญหยิดเกิดความทุกข์ เกยดความไม่สบายใจได้ถ้าไม่มีศาสนานี้จะไม่มีใครมาคอยเตือนคอยสอนคอยห้ามเราว่าอย่าไปหลงกับการหาราบยศสรเสริญสุขกันให้มากเกินไปหาได้เพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายก็พอแต่อย่าไปคิดว่าการมีราบยศเสรเสริญสุขแล้วจะมีความสุขกันเพราะว่าในที่สุดไม่ช้าก็เร็วเวลาที่ราบยศสรเสริญสุขมันเสื่อมไป มันเปลี่ยนไปความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาทันทีอันนี้คือหน้าที่ของศาสนาหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาคอยสอนมาคอยเตือนใจเราไม่ให้ไปหลงทางไม่ให้ไปหาความความทุกข์กันให้เรามาหาความสุขกันอย่างแท้จริงด้วยการทําบุญทําทานแล้วก็ ถ้าเราสามารถที่จะหาความสุขในระดับที่สูงกว่าการทําบุญทําทานได้เราก็ไปหากันความสุขที่เราจะได้สูงกว่าการทําบุญทําทานก็คือเรียกว่าการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมนี้เองการภาวนาการปฏิบัติธรรมนี้จะทำให้ใจของเรามีความสุขจะทำให้ใจของเรานี้ปราศจากความทุกข์ การภาวนานี้จะให้แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเมื่อให้ความทุกข์กับเราแต่ในเบื้องต้นตอนที่เราปฏิบัติใหม่ๆนี้มันอาจจะรู้สึกว่ามันมันทุกข์เพราะว่าเป็นของยากเป็นของที่เราไม่เคยกระทํากันแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ว่าการที่เราจะเข้าถึงความสุขที่เกิดจากการภาวนาได้นี้เราก็ต้อง ต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากที่เป็นสิ่งที่มาคอยขวางกั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะสามารถพันฝ่าอุปสรรคพันฝ่าความทุกข์ยากลำบากของการปฏิบัติให้เราได้เข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐได้ด้วยการศึกษา ด้วยการฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระอริยสงสาวุกรดีฟังจากท่านเหล่านี้แล้วจะได้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำไม่คาดเคลื่อนจากหลักของความเป็นจริงเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวุกรดีนี้ท่านได้ปฏิบัติท่านได้พิสูจน์วิธีการปฏิบัติแล้วว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องสามารถกำจัดความทุกข์ต่าง ให้หมดไปจากจิตจากใจได้สามารถสร้างความสุขอันเลิศอันปรสริฐให้เกิดขึ้นภายในใจได้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่จะได้จากราบยศสารเสริญสุขแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเหมือนกับความสุขที่ได้จากราบยศสารเสริญสุขนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษากัน ศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติกันถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่กระทำผลก็จะไม่เกิดขึ้นง mm hmm. แต่เนื้อเฉยๆนี่ ย, ยังทาให้ใจเกิดความสุขขึ้นมาได้นึกว่าจะทำบุญอย่างนี้แต่ไม่ไปทำบุญมันก็ยังไม่เกิดความสุขความสุขจะต้องเกิดจากการนึกนึกแล้วต้องนำเอาไปกระทำต่อต้องคิดก่อนคิดว่าวันนี้เราจะไปทาบุญ พอคิดแล้วเราก็ไปถึงเวลาเราก็ไปทําบุญกันเอาข้าวของเงินทองที่เรามีนี้ไปไปแจกจ่ายไปให้กับผู้ที่เขาเดือดร้อนพอเราได้กระทาได้มีการเสียสละแบ่งปันเกิดขึ้นตอนนั้นบุญนึ้งย่เกิดขึ้นก็คือความสุขใจอิ่มใจไม่ใช่เกิดจากความนึกคิดเพียงอย่างเดียวความนึกคิดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการนาไปสู่ความสุข แต่ถ้านึกแล้วไม่มีการกระทำตามนี้ความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นมาได้เนึกว่าคิดว่าจะบริจากเงินล้านอย่างนี้คิดไปจนมันตายแต่ถ้าไม่ได้บริจากความสุขมันก็ยังไม่เกิดแต่ถ้าคิดแล้วแล้ว เ, เอาเงินล้านที่เราคิดจะบริจากนี้ไปบริจากจริงๆเพราะนั้นเนะ่ะเราจะเกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตใจของเรา ท, าทันทีจิตใจเราจะรู้สึกว่ามีความอิ่มมีความสุข มีความภูมิใจมีความพอใจมีความเพิ่มปิติที่เราได้เสียสละสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงไปแล้วมันก็จะมีประโยชน์ต่อจิตใจของเราเวลาที่เกิดมีการพัดภาคจากของที่เรารักไปถ้าเราเป็นคนที่เคยเสียสละเคยเคยสละสิ่งที่เรารักไปแล้วเวลาที่เราต้อง สูญเสียสิ่งที่เรารักไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ตามเราจะไม่ค่อยรู้สึกเสียใจเท่าไหร่เราอาจจะกลับไปคิดว่าเป็นการทำบุญก็ได้สมมติว่ามีใครมีขโมยมาขโมยข้าของเงินทองในบ้านเราไปถ้าเราเป็นคนที่เคยเสียสละเคยทำบุญอยู่เรื่อยๆอยแล้วนี้เวลาเราสูญเสียอะไรไปนี่เราจะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเสียหายหแต่อย่างใด เรากลับจะคิดว่ามันเป็นการทําบุญไปแล้วความเสียใจความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่ทําบุญอย่างอย่างต่อเนื่องมันต้องมีการกระทาฟังคิดอย่างเดียวไม่พอคิดแล้วต้องทําตามถึงจะได้ผลตามมาเราเรียนเราศึกษาเพื่อให้เราคิดไปในทางที่ดีเพื่อให้เราไปทําในสิ่งที่ดี ทำให้เรามีความสุขกันถ้าเรามีกำลังที่จะทำบุญทาทานได้เราก็ทำบุญทาทานไปก่อนถ้าเรามีกำลังที่จะไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมได้เราก็ไปปฏิบัติธรรมกันเพราะบุญหรือความสุขที่เราจะได้จากการปฏิบัติธรรมหรือภาวนานี้มันมีน้ำหนักมากกว่าบุญที่เราได้รับจากการทำบุญทาทานและ ทุกที่เรากำจัดก็จะได้มากกว่าทุก์ที่เกิดจากการทำบุญทาทานทุกที่เรากำจัดจากการทำบุญทาทานก็คือเวลาที่เราสูญเสียข้าวของเงินทองไปแทนที่เราจะทุกข์เรากลับไม่ทุกข์ได้ถ้าเราเป็นคนที่ชอบทำบุญทาทานอยู่เรื่อยๆเราก็จะคิดว่าเป็นการทำบุญทาทานไปความทุกข์ก็ไม่เกิด แต่คนที่ไม่เคยทำบุญทำทานคนที่รักที่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเวลาที่สูญเสียไปนี่เขาจะทุกข์ทรมานมากแ้แต่สูญเสียไปเพียงเล็กน้อยทั้นเองเสียไปแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดแต่เขาก็จะเสียดายจะหวงจะทุกข์แต่ถ้าคนที่ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปนี่จะรู้สึกเฉยเฉย ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปกลับมีความสุขซะอีกแต่ทุกอย่างอื่นนี้การทําบุญทําทานนี้ยังดับไม่ได้ทุกที่เกิดจากความโกรธทุกที่เกิดจากความยึดถือในสิ่งต่างๆทุกที่เกิดจากความอยากอันนี้จําเป็นที่จะต้องใช้การปฏิบัติธรรมเรียกว่าจิตตภาวนา สมถะาภาวานาและวิปัสสนาภาวานาจึงจะสามารถกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆได้และสร้างความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบได้อันนี้เป็นขั้นที่สูงขึ้นขั้นที่ยากขึ้นท่านทําบุญทำทานนี่ง่ายเรามีอะไรเราก็เสียสละแบ่งปันไปถึงแม้ไม่มีข้าวของเงินทองเราก็ยังมีร่างกายที่เราสามารถใช้ ไปทำคุณทำประโยชน์ได้เป็นการทำบุญได้เช่นเดียวกันทำบุญด้วยกำลังกายด้วยการไปช่วยเหลือทำหน้าที่เป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานให้เกิดประโยชน์กับกับสาธารณาประโยชน์ต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำบุญทำให้ใจเรามีความสุขกันได้แต่เรื่องของการภาวนานี้เป็นของที่ยากกว่า เพาการจะภาวนาให้เกิดผลจริงๆนี้จําเป็นที่จะต้องใช้เวลามากและต้องใช้เวลาที่ทต่อเนื่องถ้าไปทําเป็นแบบทํานี้แล้วก็กลับไปทํานู่นทํานู่นแล้วกลับมาทํานี่ถ้ายังมีภารกิจอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยการเจริญภาวนาการสร้างความสงบให้กับใจนี้จะเกิดขึ้นได้ยากผู้ที่จะต้องการให้ ได้ผลจากการภาวนาอย่างจริงจังนี้ยังเป็นที่จะต้องมีเวลาภาวนาอย่างต่อเนื่องไม่มีภารกิจอะไรอย่างอื่นมาขั้นมามาขัดขวางเพราะมันจะเป็นการสะดุดถ้าเป็นรถไฟก็เหมือนกับการที่จะต้องคอยจอดอยู่ทุกสถานีวิ่งไปสักพักหนึ่งก็ต้องจอดสถานีหนึ่งเพื่อรับส่งผู้โดยสารแล้วก็วิ่งต่อไปมไม่เหมือนกับรถด่วน รถที่ไม่จอดรับผู้โดยสารระหว่างทางเพียงแต่ไปจอดที่สถานีสุดท้ายอันนี้ก็จะทำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันการภาวนาการปฏิบัติจิตตภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนานี้จงเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ถึงจะสามารถทำให้เกิดผลได้เป็นผู้ที่จะปฏิบัติได้จริงจริงจังๆนี้จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีภารกิจการงานต่างๆที่จะต้องทำ ม, มีแต่ภารกิจอย่างเดียวฉะนั้นก็คือการภาวนาการปฏิบัติธรรมเช่นพวกที่ไปบวชทั้งหลายนี่เขาเป็นผู้ที่จะมีเวลาได้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องทาไมเขาถึงไปบวชกันก็เพราะเขาเห็นว่า การดำรงชีพของเขาด้วยการแสวงหาราบยศสำสราสสุกนี่เป็นการหาความทุกข์กันมากกว่าหาความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอกัน mm hmm. ก็เลยอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีทางที่จะนำไปสู่ความสุขสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ วิธีที่จะนำพาให้ไปสู่ความสุขบุดจากความทุกข์ทั้งหลายก็ต้องเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ทากันนั่นเองก็คือต้องไปบวชกันแต่ถ้าเรายังไปบวชไม่ได้ถ้าเรายังติดภาระผูกพันอะไรต่างๆีเราก็อาจจะไปแบบชั่วครั้งชั่วคราวก่อน หาเวลาว่างๆเพราะเราต้องมีเวลาว่างมากไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีภารกิจที่ต้องทำตลอดเวลาเช่นวันหยุดสามวันอย่างนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะไปหาความสุขจากความสงบเราก็ไปหาวัดที่มีสถานที่ให้เราไปอยู่ไปปฏิบัติชั่วคราวได้เราก็เพียงแต่ไปอยู่ถือศีลแปดแล้วก็ปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสสนาตลอดเวลาได้อยู่ อย่างนี้ก็ยังพอที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับผลบ้างถึงแม้ว่าจะไม่มากก็ตามแต่ถ้าเราปฏิบัติเพียงวันละเล็กละน้อยเช่นนั่งสมาธิวันละสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงอย่างนี้โอกาสที่จะได้สัมผัสกับความสงบได้ผลจากการนั่งสมาธินี้แทบจะไม่มีเลยอาจจะได้ความรู้สึกเบาๆนิดหน่อยใจไม่ได้คิดอะไรไม่ฟุ้งซ่านไปเท่านั้นเองแต่ที่จะสัมผัสกับความสงบ ความสุขความปรา จ, จากความทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลามากต้องให้กับการปฏิบัติเ<ม>พราะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย<ม>ถึงจะได้ผลดี<ม>ดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะไปบวชได้ไปปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าแบบภาษาโลกได้เราก็ปฏิบัติแบบชั่วคราวไปก่อน หาเวลาว่างช่วงไหนถ้าเราสามารถมีเวลาว่างสักสาวันห้าวันเจ็ดวันก็ลองไปปรีกวิเวกอยู่วัดกันไปหาที่สงบสงัดแล้วก็ไปภาวนากันไปปฏิบัติธรรมกันวิธีภาวนานี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองขั้นสองขั้นสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมถาวิภาวนาหรือการฝึกสมาธิทำทำใจให้สงบนี้ เรียกว่าสมถภาวนาทำใจให้สงบเมื่อเราได้ความสงบแล้วมีกำลังพอเพียงที่จะไปทำขั้นต่อไปเราถึงค่อยไปคือไปขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเป็นการไปเจริญปัญญาให้เห็นความความเป็นจริงของทุกข์ว่าเกิดจากอะไรถ้าเราเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยาก ถ้าเรามีความสงบมีกําลังใจเรามีอุเบกขาเราก็สามารถหยุดความอยากได้แต่ถ้าเราเห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากแต่เรายังสู้ความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าความสงบเรายัางไม่พออุเบกขาเรายังมีกําลังน้อยเราก็ต้องกลับมาทำสมาธิให้มากขึ้นต้องเข้าสมาธิให้บ่อยขึ้นให้อยู่ในสมาธิให้นานขึ้นไป เพราะยิ่งอยู่ยิ่งนานเท่าไรอุเบกขาก็จะมีกำลังมากขึ้นนั่นเองแล้วเราก็กลับไปลองไปทำทางวิปัสสนาใหม่ไปเจริญปัญญาใหม่ไปหยุดความอยากต่างๆใหม่ดูว่าเราหยุดได้ไหรือไม่ถ้าเราหยุดได้เราก็จะได้บรรลุทาขั้นต่างๆได้แต่เบื้องต้นนี้เราต้องมุ่งไปที่การทำใจให้สงบก่อนทาใจให้มีอุเบกขาให้ได้ และสิ่งที่จะทำให้ใจของเรามีความสงบมีโอบเบขาได้ก็คือการเจริญสตินี่การเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการภาวนาทั้งสองระดับถ้าไม่มีสติแล้วใจจะไม่มีความสามารถที่จะทำใจให้สงบหรือสอนใจให้ฉลาดให้ละความอยากต่างๆได้จาเป็นที่เราต้องมีการฝึกสติตลอดเวลา นั่งแต่ตื่นจนหลับสิ่งแรกที่เราควรจะทำเวลาที่เราไปปฏิบัติถ้าเรายังไม่มีสติคือเรายังไม่สามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้ใจเราคิดไปทางไปอดีตไปอนาคตใจเรายังคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็ดีที่ยังไม่มาปรากฏขึ้นก็ดีถ้าปล่อยให้ใจคิดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่มีสติ ถ้ามีสติแล้วนี้ความคิดเหล่านี้จะต้องหายไปแตเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรือรู้อยู่กับคําบริกรรมนี่เราต้องใช้วิธีฝึกให้ใจรู้อยู่กับคําบริกรรม<ๆ>เพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคําบริกรรมก็มีคําว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับผู้ที่เริ่มต้น ไม่รู้จะภาวนาอย่างไรไม่รู้จะเจริญสติงไงก็ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาพอใจจะเริ่มไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็ใช้บังทับให้มันบริกรรมพุทธโธแทนไปถ้ามีการบริกรรมพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆใจจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้แล้วถ้าห้ามมันไปนานๆต่อไปมันก็ไม่ไปเองมันก็จะหยุดคิดไปเอง ตอนนี้มันไปเพราะว่ามันมีกําลังคอยผักดันมันกาลังก็คือนิสัยเดิมนั่นเองนิสัยที่เคยคิดมันก็จะคอยผลักให้ใจคิดอยู่เรื่อยๆแต่พอเรามาเปลี่ยนนิสัยด้วยการให้มันบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธจนเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วทีนี้ความคิดมันก็จะหยุดไปพอความคิดหยุดไปต่อไปเราก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้เราเพียงแต่คอยดูใจไป ถ้าใจเกิดความคิดเมื่อไหร่เราก็บอกให้มันหยุดได้หรือถ้าเราต้องการให้มันเจริญให้มันคิดไปทางปัญญาเราก็สั่งให้มันพิจารณาตายลักไปพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคนเราว่าร่างกายของคนเรานี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตาย มีสวยมีไม่สวยมีหล่อมีไม่หล่อร่างกายของคนเรามันไม่ได้สวยหล่อไปตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็เฒ่าวาัยชราเดี๋ยวมันก็ตายพอร่างกายตายเป็นซากศพมันก็ไม่สวยไม่หล่อแล้วหรือถ้าจะดูส่วนที่เรามองไม่เห็นก็สามารถนึกถึงอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายของเราก็ได้ถ้าเราอยากจะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเราก็ต้องมองเข้าไปข้างใน มองให้เห็นโครงกระดูกมองให้เห็นอวัยวะต่างๆเช่นเห็นปอดเห็นตั บ, ตบเห็นไต<ๆ>เห็นลำไส้อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเห็นอาการต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีปัญญาเราจะสามารถเอาปัญญาหรือความรู้เหล่านี้มาระงับความอยากต่างๆได้ความอยากที่จะเสพกา ร, ร ม, มันก็จะถูกตัดไปถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอันนี้เป็นขั้นของ ของปัญญาที่จะต้องมีสติเป็นผู้เป็นผู้ช่วยต้องมีสติหยุดความคิดที่ไม่ดีก่อนตอนนี้ใจของเราจะคิดไปในทางกิเลสกันคิดไปในการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ต้องหยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้ก่อนด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าเราจะใช้การคอยเฝ้าดูร่างกาย ดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ใช้แทนคําบริการก็ได้คอยควบคุมบังคับให้เรารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียวร่างกายกําลังเดินให้รู้ว่ากำลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งก็ให้รู้อยู่ว่ากําลังทําอะไรกําลังดื่มน้ํากําลังรับประทานอาหารกําลังอาบน้ํากําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังหวีผ้าหวีผมกําลังทําอะไรก็ตาม ให้ใจเราอยู่กับร่างกายอยู่กับการกระทาของร่างกายถ้าเราเฝ้าดูการกระทำของร่างกายเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเย่างนี้ได้โดยถ้าว่ามันยังคิดอยู่ใหม่ๆมันยังอาจจะคิดอยู่เราอาจจะใช้คาบริกรรมช่วยด้วยก็ได้ทำงานไปแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปด้วยก็ได้แต่ต้องเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเป็นการกวาดบ้านถูบ้านการซักผ้าการอาบน้ำการแต่งเนื้อแต่งตัว เป็นการกระทํำที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเราก็ใช้คําบริกรรมคอยกํากับไว้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตที่ผ่านมาแล้วก็อย่าไปคิดอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปคิดให้ใจสั่งแต่ว่ารู้กับการกระทํำของร่างกายไปอันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อระงับความคิดต่างๆถ้าเราสามารถมีสติที่พอจะระงับความคิดต่างๆได้แล้ว เราก็ไปนั่งสมาธิกันได้นั่งหลับตาแล้วก็จะใช้คำบริกรรมต่อก็ได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้พุโทโธคู่กับลมก็ได้ไม่จำเป็นถ้าเราชอบพุทโธอย่างเดียวเราก็พุทโธพุทโธไป <início. S 1> นั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไปแต่ถ้าเราชอบดูลมเราก็เปลี่ยนจากพุทโธมาดูลมอย่างเดียวก็ได้ดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูก จุดที่ลมสัมผัสเข้าออกเวลาลมเข้ามันจะต้องมาแตะที่ร่างกายจุดที่มันจะแตะก็คือที่ปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาเราก็ดูตรงจุดนั้นไปดูเวลามันเข้าดูเวลามันออกให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมอย่าไปบังคับลมให้หายใจยาวๆหายใจลึกๆอันนี้ไม่ใช่เป็นการการภาวนาที่ถูกต้อง เราอย่าไปจัดการอย่าไปควบคุมบังคับลมเพราะมันจะเป็นการทำงานของใจไปด้วยเราต้องการให้ใจหรือจิตนี้หยุดทำงานจิตจะหยุดทำงานได้ก็เพียงจิตต้องรู้เฉยๆเท่านั้นเองรูรู้แล้วก็ไม่คิดแล้วก็ไม่ไปควบคุมบังคับร่างกายไม่ให้ร่างกายขยับซ้ายขยับขวาไม่ให้ร่างกายเอามือไปเกาตรงนั้นเกาตรงนี้ ไม่ให้เกินน้ำลายไม่ให้ทําอะไรทางร่างกายทั้งสิ้นไม่ให้ทําอะไรกับลมให้ดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยไปถ้าเราฝึกสติมามากแล้วเราจะดูอยู่กับลมได้แต่ถ้าเรามีสติน้อยนี้เดี๋ยวอาการมีถ้าเกิดมีอาการในทางร่างกายนี้เราจะเราจะเสียสมาธิไปเราจะอยากจะไปขยับ บาที่ร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อยากจะขยับขาขยับเท้าหรือถ้าคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อยากจะเกาหรือว่าถ้ามีน้ำลายก็อยากจะกลืนอะไรทํานองนี้อันนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นผลของการที่เรายังมีสติไม่มากพอถ้าเรามีสติมากพอแล้วใจเราจะไม่ไปกังวลไม่ไปกังวลเรื่องของร่างกายไม่สนใจใจจะอยู่กับ การรับรู้เพียงอย่างเดียวรู้กับคำบริกรมรมรืรู้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออก <c oughs> อเพรนั้นเบื้องต้นนี้เราต้องพยายามฝึกสติให้มากๆถ้านั่งสมาธิแล้วยังยังทำใจให้นิ่งให้สงบไม่ได้ก็แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยเราก็ต้องพยายามไปฝึกสติต่อนุกจากการนั่งลลุกขึ้นเปลี่ยนอุปัฏุากมาเป็นการเดินจงกรมแทนก็ได้ เดินจงกรมแล้วก็ดูที่เท้าของเราก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาหรือจะว่าพุทโธไปก็ได้เดินไปแล้วก็พุทโธพุทโธไปแต่ต้องดูทางที่เราเดินด้วยว่าข้างหน้ามีอะไรหรือไม่มองทอดไปข้างล่างอย่ามองรอบด้านอย่าไปมองซ้ายมองขวาอย่าไปเดินแบบชมวิวชมทิวทัศน์ให้มองให้เดินแบบมีสติให้มีควา ม, มระมัดระวัง พอสถานที่เราเดินนี้อาจจะมีสัตว์มีอะไรด้วยคานก็ได้ถ้าเราไม่ดูการเดินของเราเดี๋ยวเราอาจจะไปะเหยียบสัตว์เลื้อยคานก็ได้ไม่ต้องเดินแบบมีสติไม่ให้ใจลอยไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่ให้ส่งให้ร่างกายไปดูดูสิ่งนั้นสิ่งนีนะ้ให้อยู่กับการเดินเพียงอย่างเดียวนี่เป็นการฝึกสติ เดินจมกรมสักพักใหญ่ๆจกระทั่งรู้สึกเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่นั่นก็นมาลองดูลมใหม่หรือมาพุทโธใหม่ถ้ามันอยู่ได้มันใจมันก็จะนิ่งเข้าไปเรื่อยๆสงบเข้าไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับขาดใจจิตก็จะสงบลงเต็มที่เพราะจิตขาดใจเมือนกับขาดลมหายใจไปแล้วก็นิ่งเหมือนถอนเฮือกหายใจยไม่ได้ขาดใจเหมือนกับถอนเฮือกหายใจ เวลาจิตจสงบเวลาที่เราดูลมมันมนักจะเป็นแบบนั้นถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธเวลามันจะสงบนี้มันเหมือนกับร่วงตกลงมาจากที่สูงตกมาจากจากหน้าผาลงมาเราก็ตกมาจากเตปร์อย่างนี้ตกมาจากที่สูงแล้วก็รู้สึกนิ่งสงบพอถึงอมอมันนิ่งสงบแล้วตอนนั้นการภาวนาพุโทโธการดูลมก็ไม่ต้องทําอีกต่อไปเพรตอนนั้นก็ดูที่ความสงบอยู่กับความสงบไป ตอนนั้นจะพบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนและจะมีจิตจะมีความเป็นกลางหรือตอนนั้นจะปราศจากความรักชังกลัวหลง เ, เรียกว่าจิตเป็นอุเบกขาทิงนี้คือสิ่งที่เราต้องการคืออุเบกขาจิตที่ไม่รักชังกลัวหลงถ้าเราอยู่ในสมาธิได้นานเวลาเราออกจากสมาธิมาความรักชังกลงัวความไม่รักชังกลัวหลงนี้จะอยู่ติดมากับจิตได้นาน แต่มันก็จะเสื่อมลงไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปเหมือนกับน้ําที่เราเอาไปแช่ในตู้เย็นเวลาเราแช่น้ําในตู้เย็นเวลาเราออกจากตู้เย็นใหม่ๆมันจะเย็นแต่ถ้าทิ้งไว้สักพารายาหนึ่งแล้วเดี๋ยวความเย็นมันก็จะหายไปจิตเราก็เหมือนกันเวลาอยู่ในสมาธินานๆแล้วพอออกจากสมาธิมานี้จิตของเราจะรู้สึกเย็นสบายมิวเ บ, บกขาเฉย ใครจะชมใครจะดาก็เฉยเฉยใครจะทำอะไรก็ไม่รู้สึกลาคาญใจสามารถปล่อยวางได้แต่อย่ปล่อยวางได้สักไม่นานเดี๋ยวพอจิตไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ความรักความชางังความกลัวความโง่มันก็จะกลับคืนมาตอนนั้นเราก็จะรู้สึกว่าใจเราเริ่มไม่นิ่งแล้วใจเราเริ่มมีอคติแล้วถ้าเราถ้าเราเป็นนักปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องกลับเข้าเข้าสมาธิมา ไปฝึกไปทำจิตให้สงบให้มีอุเบกขาใหม่นี่คือระดับของการปฏิบัติขั้นสมาธิต้องทำอย่างนี้ต้องเข้าๆออกออกในสมาธิแล้วออกมาก็ต้องพยายามหมัน่นพยายามเจริญสติอย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งหรือถ้าจะเจริญปัญญาก็ได้ถ้าจะเจริญปัญญานี่ต้องเจริญตอนที่ออกจากสมาธิมาแนละ้วพอเห็นอะไรแล้วเกิดความลักชังกลัวหลงขึ้นมาก็ให้พิจารณาตายรักในสิ่งนั้นทันที ถ้าเราพิจารณาสิ่งที่เรามีความรักชังโกหลงเราก็จะระงับความรักชังโกหลงได้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอันนี้คือระดับปัญญาระดับปัญญานี้ต้องทําตอนที่ออกจากสมาธิเท่านั้นไม่ให้ทําตอนนี่ในขณะที่อยู่ในสมาธิขณะที่จิตอยู่ในสมาธิตั้งอยู่ในความสงบนี้ไม่ให้ทําอะไร ให้ใช้สติประทับประคองักษาความสงบให้มันอยู่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้าจิตมันจะเริ่มคิดก็พยายามหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดหรือว่าถ้าอยากจะให้มันอยู่นานๆเราก็าจจะบริกรรมต่อหรือดูลมต่อก็ได้แต่ถ้าเราทนไม่ไหวจะต้องออกมา อ, ออกมาก็มีสองวิธีออกมาแล้วก็จเจริญสติต่อคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิด หรือถ้าจะใช้ทางปัญญาก็ได้ควบคุมความคิดหยุดความคิดที่ไม่ดีด้วยปัญญาให้เราพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราไปอยากได้ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงนี้เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไปยุ่งกับเขาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาก็าจะไม่มาทำให้เราทุกข์ได้แล้วถ้าเราปล่อยวางถ้าเรามีอุเบกขาอันนี้เป็นเรื่องของขั้นของปัญญาที่จะทา แต่ทำต้องทํำตอนที่ออกจากสมาธิเท่านั้นตอนที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเวลาอยู่ในสมาธิเป็นเวลาจเจริญสมาธิพยายามให้จิตอยู่ในสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนานไดน้แล้วพอออกมาแล้วก็ถ้ายังเจริญปัญญาไม่เป็นก็จเจริญสติไปก่อนพิจารณาไตรลักษณ์ไม่เป็นพิจารณาสุภาพไม่เป็นก็จเจริญสติพุทธโธไปก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้กลับเข้าไปในสมาธิเหมือน ให้จิตมีกำลังของสมาธิมากๆแล้วต่อไปค่อยไปเรียนรู้วิธีพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภาว่าพิจารณาอย่างไรพอรู้แล้วทีนี้วเวลาออกจากสมาธิกลับมาพิจารณาตายรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาสุภาพอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาเกิดความรักชังโกหลงก็สามารถใช้ตายรักหรื อ, อสุภาพนี้มาดับความอยากต่างๆมาละความอยากต่างๆได้ ความอยากต่างๆที่เคยมีมันก็จะหมดไปพอหมดไปจิตก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะความทุกข์มันเกิดจากความอยากนี่เองไม่ได้เกิดจากอะไร ท, ทั้งสิ้นเกิดจากความอยากการมตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี้ที่เราสามารถใช้ปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงได้เมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะละ ตัณหาได้ละตัณหาได้ก็จะละความทุกข์ได้เมื่อไม่มีทุกข์แล้วใจแล้วก็ปลอดภัยพ้นภัยจะไม่มีอะไรมาเบียดเบียนมาสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปใจก็จะมีที่พึ่งอย่างถาวอนที่พึ่งจากการมีพระรัตนไตฏเป็นผู้สั่งผู้สอนและมีอัตตาหิอัตโนนาถูเป็นผู้สร้างที่พึ่งอันนี้ขึ้นมานี่คือเรื่องของที่พึ่งทางใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็อนุโมทนาให้พรยาทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานางอุปกัปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะวาโสยถาเมณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทิคาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปะจายโน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 ใครอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนยังเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงเวลายังพูดไม่เสร็จนะคือถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือจะส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง u t u b e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ค่ะวันนี้ผู้ที่ตามทาง facebook ขอภัยค่ะวันนี้พูดติตามทาง Facebook พระอาจารย์379 YouTube พระสุชาติ281 YouTube ด r V 89วิทยวลน์7ครับฮาว14หน้ากุติ172รวมทั้งหมด942ท่านค่ะโอเคถ้าอยากจะถามตอนนี้ก็ถามได้นะ กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับอพอดีว่าเห็นพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของตอนที่จิตมันตกอย่างไรครับ โดยปกติของผมมันจะค่อยๆตกตกต ก, ตกเป็นขันขั้นขั้นกันมีครั้งหนึ่งอะครับคือเหมือนกับว่าจิตมันนิ่งๆนิๆ่งๆแล้วก็อยู่มันก็วูบลงไปลึกกว่าปกติอะครับมันมีหลายแบบด้วยกันครับางทีลองเป็นขั้นขั้นี้แต่ว่ามันตกลงไปแล้วมันไม่ได้สงบะมันเหมือนกับไปโผล่อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับมีร่างกายแต่ไม่ใช่ร่างกายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับ เป็นอากาศสาธาติรอบๆแล้วก็พอดีว่าได้ไปอ่านหนังสือของาธาตุรู้ของพระอาจารย์ครับเหมือนกับลักษณะเป็นมันเป็นคล้ายๆกับาธาตุที่มันอยู่ในอากาศสาธาติหรือเปล่าครับเป็นเป็ น, ปนสิ่งที่ <c oughs> เรา <c oughs> เหมือนกับเป็นร่างกายของเราจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นในคือ <c oughs> สิ่งที่เราต้องการก็คือให้มันนิ่งกันแล้วกันอืถ้ามันไม่นิ่งเราก็ต้องภาวนาครับ อ๋อครับแต่อันนั้นคือเกิดสภาวะก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบด้วยกันเวลาที่เราภาวนาด้วยกันอ๋อครับก็พิจารณาว่าเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งครับที่ไม่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเห็นแค่ประมาณชั่วขณะจิตสองขณะจิตประมาณนั้นแคั้นรับไงมีสติแล้วก็รู้เฉยๆไปได้ครับผมพยายามครับไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาอะัรครับนะ ถ้ามันยังไม่นิ่งก็กลับมาดูลมต่อและพุโทโธต่อไครับพอดีพอตอนนั้นผมตกใจแล้วก็ผม พ, พยายามกลับมาดูที่ลมได้แต่ว่ามันยืดเกิดกไปกับลมถ้าเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปตามมันอย่าไปสนใจอย่าไปมีปฏิกิริยาไปชอบไปแล้วไปชังมันครับรู้เฉยๆรู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไปครับเหมือนเหมือนกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่าง น, น แล้วลักษณะแบบนี้มันคือการเกิดปัญญาหรือเปล่าดูว่าไม่ใช่ปัญญาต้องมาวิเคราะห์ร่างกายของเราเช่นดูอาการ32ร่างกายของเราอย่างนี้ถึงจะเกิดปัญญาถ้าเรามองร่างกายคนแล้วเห็นทะลุไปหมดเลยเห็นกระดูเห็นตับตายเห็นลำไส้อย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาเห็นร่างกายร่างกายหลับนอนตายไปอ๋ออย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาอ แต่ว่าอย่างนั้นก็คือนั้นเป็นสภาวะธรรมต่างๆที่ไม่มไม่ไม่มีความสำคัญต่อต่อการปฏิบัติของเรารก็ไ ม, มไม่มากำจัดกิเลสตัณหาที่ที่มันมาสร้างความทุกข์ให้กับเราครับคือสภาวะผมเคยเกิดสภาวะหนึ่งตอนขับรถอยู่แล้วเหมือนกับเห็นสภาพว่าพื้นที่โดยรอบตัวรถแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเท่าเทียมกัน มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นเช่นเดียวกันเป็นธาตุดินเหมือนกันเป็น่าตุดนเพราะว่าอ่านหลังจากอ่านหนังสือของอันนั้นก็ได้อันนั้นก็เป็นปัญญาเราพิจารณาร่างกายเรามันก็เป็นธาตุส่วนใหญ่ก็เป็นธาตุดินมีน้ํามีลมมีไฟผสมอยู่ด้วยคแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องแยกแยกกันไปลมก็ไปทางของลมน้ําก็ไปทางของน้ําไฟก็ไปทางของไฟดินก็ไปกับไปทางของดินไป ไม่มีตัวตนในร่างกายของเราให้พิจารณาต่อพอเห็นเรามาเตือนใจสอนใจเราต่อไปเวลาเห็นใครเห็นร่างกายของใครก็บอกมันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนครั บ, รบไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเพื่อนไม่มีน้องอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นสมมุติเราจิตเราไปตั้งมันขึ้นมาทั้งเองอันนี้แล้วผมผมควรจะปฏิบัติ ลักษณะแบบไหนต่อดีครับก็เวลาทําสมาธิก็ทําสมาธิเวลาออกจากสมาธิก็พิจารณาทางปัญญาต่อได้ผมผมควรจะพิจารณาทางกายร่างกายเราก่อนน่างกายเาก่อนหรือสิ่งรอบตัวเราก่อนก็ได้ราบยศสรรเสริญสุกก่อนก็ได้ครับมีราบก็ไม่เที่ยมมียศก็ไม่เที่ยมมีสรรเสริญก็ไม่เที่ยมมีสุกก็ไม่เที่ยมอย่าไปยึดไปติดกับของภายนอกครับ พอปล่อยของภายนอกได้ก็มาปล่อยร่างกายแล้วต่อไปคือนะตอนนี้ตอนเริ่มนั่งสมาธิครับเหมือนเห็นจิตว่ามันสายส่ายส่ายพอจ<ต>ิตเรามันยังไม่นั่งพออย่างนี้เงเราพอนั่งไปไม่ถึงห้านาทีนะครับเห็นร่างกายขยับแต่จิตมันอยู่นิ่งกว่าร่างกายอย่าไปสนใจครับการให้อยู่กับลมแลืออยู่กับพุโทโธไปเวลาเราพภาวนาะให้แต่หลังๆคือเหมือนกับดู ร่างกายแล้วมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เราครับก็บยังไม่ถึงเวลาดูไงให้ดูดูลมไปก่อนให้จิตหนิ่งก่อนถ้าจิตนิ่งแล้วเวลาออกจากสมาธิก็ดูร่างกายต่อไปได้ครับได้ครั บ, รบครั บ, รบขอบคุณคุณครั บ, บมีคําถามจากทางหน้ากุฏิคะ่ะ คำ ถ, ถามชักหน้ากุฏิคะ่ะการนั่งนิ่งๆโดยไม่คิดอะไรทําสมองให้ว่างเปล่าถ้าทําได้แบบที่ไม่ผูกกับลมหายใจถือเป็นการทําสมาธิไหมครับก็เป็นถ้าเราควบคุมความความคิดไม่ให้คิดได้ก็ถือว่าเป็นการเจริญสติได้แต่ยังไม่เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธินิจิตเมันท้องนิ่งสงบ อีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะจากคุณศิยาโมลจากหน้ากุติค่ะน้อมกลับนมัสการดิฉันเพิ่งสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปอยากจะขอแนวทางให้พ้นทุกข์ค่ะก็ต้องพิจารณาว่าตัวพ่อเนี่ยไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะร่างกายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมของเขามาจากดินน้ําลงไฟเขาก็กลับคืนสู่ดินน้ําลงไฟไปแต่พ่อเป็นดวงวิญญาณที่ไปรับผลบุญผล บ, บาปต่อไป ถ้าเรายังห่วงพ่ออยู่ก็ทำบุญอุทิศบุญไปให้พ่อได้อยู่แล้วถ้าเวียนว่ายตายเกิดต่อไปก็อาจจะมาเจอกันใหม่ก็ได้อา จ, จะนะไม่ใช่ว่ามันจะไปเจอกันได้ง่ายแต่ก็มีโอกาสที่อาจจะเจอกันได้ แต่คุณกฤษกรค่ะการที่เรานั่งสมาธิก็ดี<ม>การที่เราทําบุญกระถิน่นหรือผ้าป่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาโดยการอนปัจใยไปร่วมทําบุญการใส่บาตรที่หน้าบ้านก็ดีเราสามารถอุทิศแผ่เมตตาให้กับปู่ย่าตายายท่านจะได้รับหรือไม่ครับหรือใครจะได้รับครับถ้าเป็นทานเนี้ยอุทิศได้ทันทีเพราะเกิดผลขึ้นมาทันที แต่ภาพการปฏิบัติสมาธินี้ถ้ายังไม่เคมีผลมันก็อุทิศไม่ได้เพะงั้นก็ถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ทําทานไปแล้วทาทานเสร็จจะใส่บาตรจะถวายผ้ากระถินหรืออะไรอนี้ก็ได้แล้วอุทิศไปในใจนัล้ลึกไปในใจว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วถ้าเขาอยู่ในสภาพที่เขารอรับอยู่เขาก็รับได้แต่บางทีเขาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นเขาก็ไม่ได้รับไป จากทาง YouTube ค่ะคําว่าไม่มีตัวตนพ่อแม่พี่น้องล้วนเป็นธาตุรู้แต่โลกเราสมมุติเรียกพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้มีตัวตนขึ้นมาใช่ไหมครับใช่เป็นความหลงของจิตใจของพวกเราทุกคนไงเรามีความหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราแล้วก็มีชื่อมีฐานะเป็นลูกของพ่อแม่อะไรตามมาตามสมมติต่างๆ แต่คามจริงมันก็เป็นกระบวนการของดินน้ำลงไฟของการผลิตของดินน้ำลมไฟแล้วก็การล่มสลายของดินน้ำลมไฟไปในที่สุดจักคุณวรางค่ะน้อมกับนมัสการเดียนถามพระอาจารย์ค่ะบุคคลที่เห็นดีด้วยและยังเกี่ยวข้องและสนับสนุนต่อผู้ที่ทำผิดศีลอยู่เนืองๆจะถือว่าเป็นการครบคนพาลหรือไม่เจ้าคะคนี่ผิดศีลอ่เป็นคนพาลอยู่แล้ว ไม่ควรจะไปคบกับคนที่ชอบทาผิดสิ่งแล้วคบกับเขาแล้วเดี๋ยวาก็าชวนเราไปทำผิดสี่งต่อไปได้หมดนล่นแหละคนพานก็คือคนที่ไม่รู้ไม่รู้ความจริงว่าความดีเป็นยังไงความชั่วเป็นยังไงเห็น <c oughs> กับตาละปัตเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความดีเป็นความชั่วไป พวกนี้ก็อย่าไปคบกดเขาเขาก็จะพาเราไปในทางที่ไม่ดีเช่นเห็นว่าการเสพอบายังบุกเป็นของดีเนี่ยดืม่มส้อาเร่นการพรานันเที่ยวเต่เป็นของดีเพราะมันมีความสุขมีสนุกสนานดีแต่มันไม่เห็เห็นผลกระทบที่จะตามมาต่อไปเวลาที่ไม่มีเงินทองเที่ยวไม่มีเวลาไม่มีเงินทองใช้จะทํำยัำยงไงก็อาจจะไปทําบาปต่อไปได้ อย่าไปคบกับเขาเพราะถ้าเขาชอบดืม่มโซดาเขาก็าจะชวนเราไปดืม่มโซดาเขาชอบเล่นการพ น, นันเขาก็าจะชวนเราไปเล่นการพ น, นันเขาชอบทําบาปเขาก็าจะชวนเราไปทําบาปคําถามจากคุณกุณหลาบค่ ะ, อะสอบถามพระอาจารย์ว่าการทาบุญทําทานรักษาศีลและการภาวนาสามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้ไหมเจ้าคะโรคซึมเศร้านี้มันเกิดจากการไม่มีสติเี่ย การไม่มีปัญญาความผิดหวังอยากได้อะไรและไม่ได้นังใจอยากก็เศร้าขึ้นมาดังนันถ้าปฏิบัติธรรมได้เข้าใจหลักของอริยสัจสีได้เข้าใจว่าความสิมเศร้าเกิดจากความอยากต่างๆของเราเองถ้าเราปฏิบัติธรรมหยุดความอยากได้ความสิ้เศร้าก็หายไปได้ จากทาง YouTube ค่ะกับนมัสการครับเขาการเรียนถามครับทำไมพระพุทธเจ้าพระปัจเจกทราบต้นต่อที่มากำเนิดของดวงจิตได้แต่พระอระหันต์ทำไมถึงทำไม่ได้กับขอพรบคุณครับไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามท่านดูไม่จำเป็นจะต้องรู้ของควกนี้รู้วิธีกำจัดความทุกที่ในใจของเราก็พอ เรื่องอย่างอื่นนะอาจารย์ตายพรเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องของความสามารถของคนที่มีความสามารถระดับพระพุทธเจ้าต่นนั้นถึงจะเข้าถึงได้ตอนนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปรู้ให้เสียเวลาให้รู้ว่าทุกเกิดจากอะไรและละความทุกหนับความทุกได้อย่างไรเท่นี้ก็พอไม่ดีนะก็ะะะมาถามได้เ และมันนมัส ก, การพระอาจารย์ครับขอญาติถามสองข้อนะครับอตอนที่เราอุทิศสุขุศนนะครับจะมีญาติหรืออะไรที่มารอรับเราอยู่แต่ในขณะที่เราอุทิศเราบอกว่าอุทิศให้ทุกสรรพสิ่งเ ร, เราไม่ได้ระบุชื่อครับเขาจะได้รับไหมครับก็หมายถึงว่าอินทรีย์อันไหนต้องการก็เอาไปได้ใครมก่อนก็ไปก่อนอครับอีกข้อนึ่งคําว่า การเห็นกายในกายหมายถึงยังไงครับก็เห็นความเป็นจริงของร่างกายเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเห็นใจรักในร่างกายอ๋อครับขอบคุณครับ จากยูทูบเจ้าค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ด้วยความคารพหนูปฏิบัติจิตสงบได้ฐานจิตที่ตั้งภายในเป็นอัตโนมัติวกเข้าไปก็พบทุกครั้งสงบสบายเจอต่อมผู้รู้อยู่ภายในกายนี้จิตออกจากร่างก็อยู่กับผู้รู้นี้แต่ด้วยชีวิตของคารวะยังต้องทำงานรู้ว่ากิเลสยังไม่หมดจะภาวนาให้เจริญยิ่งขึ้นได้อย่างไรคะขอเมตตาด้วยค่ะพระอาจารย์ ก็ต้องออกไปปฏิบัติไปอยู่แบบนักบวชการจะไปอยู่แบบนักบวชได้ก็ต้องหมั่นพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปถ้าเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะกระตุ้นให้เราละวิธีหรือ ว, วิถีชีวิตที่เราอยู่เพราะอยู่ไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่สามารถมาแก้ปัญหาของเราได้ มันก็จะทำให้เราในที่สุดก็ไปอยู่แบบนักบวชได้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเห็นเทวดาทูตสี่เห็นแล้วท่านก็ย้อนกลับมาคิดถึงร่างกายของท่านเองร่างกายของท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยู่อย่างนี้ไปก็จะไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ก็เลยออกบวชจากคุณพนมค่ะกลับเรียนถามครับ เราต้องแยกจิตจากเวทนาสัญญาและสังขารใช่หรือไม่ครับอ๋อไม่ต้องแยกหรอกคือให้เรารู้ว่าเขาเป็นตายลักก็พอรู้ว่าเขาเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับของเขาเองไม่มีใครมาควบคุมบังคับเขาได้บังคับเขาได้บางเวลาเช่นความคิดนี้เราบางทีแล้วก็หยุดมันได้แต่หยุดมันตลอดเวลาไม่ได้แต่เราสามารถให้มันไปคิดในทางที่ดีได้คิดในทางที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราได้ คุณชาวฤิตค่ะนั่งสมาธิกําหนดดูลมหายใจเข้าออกสักพักลมหายไปหูไม่ได้ยินเสียงอะไรแบบนี้เรียกว่าสมาธิหรือเปล่าครับไม่จาเป็นต้องรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะถ้ามันสงบมีความสุขก็ใช้ได้ก็แล้วกันหมดได้เหรอโอเคหมดแล้วก็ท่านนี้ก่อนนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต